โลหจหหิตมันไม่อยู่กับพุทโธมันไม่ได่คิดไปทางอื่นก็ปล่อยให้มันคิดไปเราตั้งสติกำหนดตามรู้ไปเลยมันจะคิดไปถึงไหนก็ตามรู้มันไปเลยถ้า ต, ตามรู้ไปมันทรรมชาติจะหยุดนิ่งตรงไหนแคมันนิ่งอยู่ที่ตรงนั้น แล้วเรากาหนดรู้คามนิ่งมันอยู่อย่างนั้นถ้าหามันจะพยายามรอไปอีกก็ น, นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธดูถ้ามันอยู่กับพุทโธก็ให้มันอยู่กบพุทโธถ้ามันไม่อยู่ก็ปล่อยให้มันไปแล้วเรากําหนดตามรู้ไปเรื่อย พุโทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดสัพหนึ่งเป็นภาษาบาลีอยู่ในบทพุทธคุณตอนคายคือคำว่าพุโทโธแล้วก็พระวาติหมายถึงพุโทโธตัวนั้น คุณของพระพุทธเจ้าคืออิติปิแปลว่าเพราะเหตุนี้โสภะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นพระอระหันตู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุธโธเป็นผู้สุขสัสรู้เองชอบ วิชาจรณะสัมปันโนผูสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะสุขะโตปูสเสด็จไป ด, ดีโลกวิปูผูรู้แจ้งสึ่งโลอันตะโรบุริสะธรรมสาลทิ โอเป็นครูฝึกอย่างยอดเยี่ยมไม่มีุรูคอื่นจะยิ่งไปกว่าัตหาเทวะมนุษย์สานัง่งเป็นศาสดาคือครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโดโท้โอ้เปิดบานแล้ว หรือผู้รู้แล้วผู้ตื่นแล้วที่ตื่นจากความหลับด้วยอำนาจแห่งกิเลสเป็นคนละละนุณลักษณะต่อแสดงว่าพระองค์หลังจากตรัสรู้แล้วมนความพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นมุลุ่์ตัวอย่าง ดังนั้นพระองค์จึงสมควรเป็นผู้แจกจำแนกธรรมะคำ ส, สอนจึงมีคำว่าพาระวาแปลว่าผู้แจกจำแนกธรรมะคำสอนหรือผู้มีโชคดีหรือผู้หักซึ่งองค์กรรมแห่งสังสารวัชช์ได้โดยเด็ดขาดอันนี้เป็นบทพุทธคุณ ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษตัวอย่างพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เสียสละเริ่มตนแต่เสียสละราชบัลณฑลความเป็นพระมหาโประศัตรสเสด็จออกมาราชาเพื่อสแสวงหาธรรมะเครื่องะัะเสโลเป็นพระพุทธเจา้า โดยไม่มีความห่วงใยใดๆกับราชสมบัติและยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่น้อยอันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เสียสละเมื่อพระองค์เละะิศสรล้แล้วก็ทรงเสียสละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์ จะลิกไปแสดงพระธรรมโปรดเวไนสัตว์เริ่มต้นแต่เทศโปรดพระพิสุเบญจวัคีซึ่งเป็นนัก บ, บวชในสมัยนั้นด้วยธรรมจักกับประวัตกนสุจนท่านอัญญาโกลทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นหลักฐานพยานแห่งการดรัรนีธรรมะของจริงสิ่งพระองค์ก็รู้จริงเห็นจริงแล้วพละกิเลสได้โดยเด็ดขาดด้วยเมื่อบาเทศัยก้นพื้นฟัง คนอื่นฟังแล้วก็เข้าใจรู้จริงเห็นจริงเหมือนกันจึงกา็ น, นั้นว่าธรรมะที่ตรถารู้แล้วนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อกูนแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอันนี้เป็นบุรุษตัวอย่างในทางการเสียสละบุรุษตัวอย่างในทางความเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง อริยสัตติทุกสมุทัยนิโรธมักมีแต่ดาวพุทธเจ้าเท่านั้นจะทรงรู้ดาวพุทธเจ้ารู้อริยสัตติคือทุกสมุทัยนิโรธมักซึ่งเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจําโลกมานมนานซึ่งได้อับเขาได้สาบสูญไป ตามยุคตามสมัยถึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ธรรมะของจริงคืออริยสัจสี่ก็ได้สาบสญไปเพราะไม่มีใครสามารถคนลล้นพบในรู้จริงเห็นจริงเมื่อสมเด็จตัสมาสัมรพุทธเจ้าของเราได้ค้นฟ้า จนกระทั่งเืิดความเป็นพุทธะขึ้นในกระทัยของพระองค์แล้วก็รู้อริยสัจสี่สือทุกสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลสมุทัยคือกิเลสในกาจันหาทำให้จิตใจมนมษย์ต้องสะยอสยใย ในสิ่งที่ตนปราถนาะเมื่อไม่สมหวังก็เกิดทุกข์นิโรธะความดับกัญหาได้สนิทมักคะคือหนทางดำเนินไปสู่ความดับได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่เราปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีพระพุทธเจ้าเป็นผุทรัสรู้ว่าศีลที่อบรมดีแล้วทาให้เกิดสมาธิสมาธิที่มีพลังสามารถทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่มีพลังสามารถจ้อนกลับมาอบรมจิตให้บริสุทธิ์สะอาดไดธรรมะอันนี้ เป็นภูมิความรู้ของพระกุเตจางซึ่งมนุษย์สามัญธรมมมธรมดาทะลอเทวดาอินผรมไม่สามารถที่จะรู้เองได้อย่างเรออันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้อัศรู้หรือผู้รู้เมื่อทะรู้สิ่งดังกล่าว โดยความเป็นจริงแล้วจริงได้นามว่าพุท ธ, ธคือผู้รู้ึ่งเป็นคุณสมบัติเกิดขึ้นภายในจิตของพระองค์ท่านจึงได้เปลี่ยนขนามจากสีสทัตราชกุ ม, มารมาเป็นสมัมมาสัมพุท ธ, ธะหรือเป็นพระสยามภูเป็นพระตาถาคตซึ่งแปลว่าผู้ดำเนินไปดี หรือเป็นพระสุคตผู้สเสด็จไปดีสเสด็จไปที่ไหนก็ทําประโยชน์ให้แก่ที่นั่นเมื่อเวลาประทับอยู่ก็ทําให้ผู้ต่อนรับมีความยินดีเมอสเสด็จนี้ไปก็ทําให้ผู้ที่สนิทพุ้นเคยต้องอะไราคิดถึกนี่คือผู้สเสด็จไปดี และพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างแห่งคนผู้บริสุทธิ์สะอาดคือความหมดกิเลสกิเลสที่จะพึงร่วงเกินทางกายทางวาจาพระองค์ตัดได้โดยตัดได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจของสิ่กิเลสอย่างกลางที่จะทำให้เกิดขึ้นมาลบควนสมาธิ หรือตัดตอนคุณความดีไม่ให้เกิดขึ้นคือนิวรณพระองค์ปราบด้วยสมาธิกิเลสอย่งางละเอียดคืออาสบะหรือนิพุนาหรืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตพระองค์ตัดด้วยปัญญาอันยอดเยียม <c oughs> จึงสามารถชำระจิตใจให้บริ ส, รบสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลส กิเลสแม้น้อยหนึ่งเท่าธุรีไม่ได้มีเหลืออยู่ในพระไทยของพระองค์พระองค์จึงไปถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงอน น, นี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่าง ของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายด้วยประกาศหลัชนิดดังนั้นเพื่อเป็นอุบายแห่งการตล่อมจิตให้พลากจากสิ่งที่วุ่นวายอยู่โดยรอบคิดรอบ ด, ดาดท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงสอนให้นึกถึงสิ่งสิ่งเดียวซึ่งเป็นบทพุทธคุณบทใจบทนึง เึงมีพุทโธพุทโธพุทโธเป็นตนจนทำให้จิตของเราติดอยู่กับพุทโธจิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันไม่ปลากจากกันแต่สนิทแตนอย่างเหนียวแน่นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นอุบายให้จิตมันปลากจากความวุ่นวายอื่นๆเข้ามาอยู่กับพุทโธ เพียงคำเดียวเมื่อจิตอยู่กับพุทโธเพียงคำเดียวจิตก็จะเริ่มมีความสงบเมื่อจิตติดอยู่กับพุทโธเป็นความสงบจิตโดยความตั้งใจเพราะเราสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธได้ เมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาอย่างอ่อนๆซึ่งเรียกว่าอุปจาระสมาธิจะมีความสงบนิ่งและสว่างคำว่าฟุตโธหายไปยังเหลือแต่สภาวะจิตผู้รู้สว่างอยู่ตอนนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นสองอย่างอย่างที่หนึ่งถ้าจิตสว่างแล้วส่งกระแสะออกไปข้างนอก จะทำให้เกิดนิมิตภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นต้นว่าภาพคนสัตว์เฮวดาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึกซึ่งจิตมันจะปรุงปรุงขึ้นมาในขณะนั้นเมื่อเห็นภาพนิมิตต่างๆตอนนี้สมาธิยังไม่มีกำลังแรงสติยังไม่สมบูรณ์ บางครั้งก็เกิดกลัวขึ้นมาหรือบางครั้งก็ทำให้สำคัญว่าภาพนิมิตเหล่านี้เป็นจริงเป็นจังแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงมโนภาพผู้ภาวนาถ้าประสบเหตุการณ์ดังนี้ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของเราอย่างเดียว ถ้าหากพอที่จะคิดได้ก็ให้คิดว่านิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเกิดจากจิตของเราที่กำลังสงบเมื่อสงบแล้วก็ย่อมเห็นภาพนิมิตต่างๆแต่ภาพนิมิตนั้นไม่ใช่ของจริงแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตผู้รู้อย่างเดียวถ้าหากว่าภาพนิมิตนั้นยังปลากรดอยู่ ก็ อ, อย่าไปเยืดและอย่าไปทำความลำาขานหรืออย่าไปทำความยินดียินร้ายกับนิมิตนั้นให้จ้องดูอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเห็นภาพนิมิตนั้นเพราะอาพนิมิตเกิดขึ้นจากสมาธิคือความบสมบุกจิตเมื่อเรารู้ที่เกิดขมันอย่างนี้เราจะไม่ตื่นและไม่เอดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเราไม่ตือนเรามีสติสัมปชัญญะดีกาหนดรู้ลงที่จิตในนิมิตต่อปลากรดอยู่จิตจะเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติจะทาให้ผู้มีปัญญาที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้เท่าทันนิมิตนั้นเกิดปัญญา ความรู้แจ้งเห็นจริงในนิมิตนั้นในแง่ต่างๆซึ่งนิมิตนั้นอาจจะแสดงเป็นอสุภกรรมฐานคือแสดงการล้มตายเน่าเปื่อยผุพังไปก็ได้หรืออาจจะแสดงไปในแง่ว่าเป็นธาตุกรรมฐานสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟลงไปก็ได้ หรือนิมิตนั้นอาจจะแสดงปติกิริยาเปลี่ยนแปลงไปต่างๆถ้าจิตไม่หลงเยตดไม่ตามรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวจิตก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นๆนักเข้าจิตจะเกิดภูมิความรู้ในแง่วิปัสสนาขึ้นมาว่านิมิตตัวเป็นของไม่เสี่ยนมีความเปลี่ยนแปลง ย, ยับยั้งอยู่เสมอ นิมิตตัวทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนจิตมันก็จะรู้ทุกข์ขึ้นมานิมิตไม่เป็นตัวของตัวคือไม่สามารถจะดารงอยู่ได้ตลอดกาลจิตมันก็จะรู้อนัตตาคือความไม่เจตัวไม่เจตุ ข, ขึ้นมาในสําหรับนิมิตที่เกิดขึ้นขายนอก ย่อมมีประโยชน์แก่นักปฏิบัติผู้มีสติปัญญาที่จะกําหนดเข้ามาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติให้เกิดสมาธิมั่นคงในเกิดสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวัธรรมโดยอาศัยนิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแต่ถ้าไม่เป็นดังนั้น เมื่อใจสงบโลงไปแล้วนิมิตไม่เกิดิตก็จะนิ่งสว่างอยู่เฉยๆแล้วจิตก็จะย้อนเข้ามามองดูข้างในคือในกายของตัวเองซึ่งในช่วงนี้จิตอาจจะติดตามกำหนดรูลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นเมื่อหายใจเข้ายาวหรือสั้นจใจจมรู้ เมื่อหายใจออกยาวหรือสั้นจิตย่อมรู้รู้อยู่ทุกจังหวะแห่งลมหายใจจิตจะรู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องละลึกจิตย่อมสงบสติจ่อมมีความมั่นคงมีพลังแก่กล้าขึ้น เมื่อสติมีพลังกลายเป็นสติพละความจดต้องรู้อยู่ที่สิ่งรู้คือลมหายใจก็ย่อมเพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อความมั่นคงเมื่อความมั่นคงมีปรากฏจิตไม่วอกแวกส่งไปที่ไหนสมาธิพละ กำลังคือสมาธิย่อมกลังสือขึ้นเมื่อมีสติมีสมาธิแล้วมีความเพียรจดจ้องเราก็ช่วยความมีศรัทธาเชื่อมั่นลงไปโดยอัตโนมัติคือเชื่อมั่นในสมัทถภาพของตัวเองจิตจดจ้องกับสิ่งรู้ไม่หวันไหวและรู้ประคองตัวเองอยู่กับสิ่งรู้ ประกองสติและเล็กอู่กับสิ่งลเล็กปัญญาก็ย่อมเกิดมีพละคือมีกำลังดังนั้นในเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังพลังทั้งห้าระยุกเข้าเป็นพันเดียวกันคือรวมลงเป็นหนึ่งคือสมาธิ ย่อมสามารถทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้อยู่ภายในเมื่อจิตสามารถสงบนิ่งสว่างรู้อยู่ภายในตัวของตัวเองจิตก็ย่อมจะค่อยรู้ความเป็นไปของกายหรือของอวัยวะภายในกายปรากฏขึ้นในการต่อไป หากจิตไม่รู้อวัยวะหรืออาการของกายทั้งหมดนี้จิตก็เพียงแต่สงบนิ่งและมีความรู้สึกอยู่ภายในกายพอได้่อว่าจิตรู้อยู่ภายในกายแต่ยังไม่กระจ่างเพราะกำลังแห่งพลภาพยังไม่มีปฏิสิทธิภาพพอที่จะปฏิวัติจิตไปสู่โภมรู้โภมทรรได้ ขั้นนี้เราก็เอาแต่ความส ง, งบนิ่งของจิตท่าเป็นสมาธิไว้เป็นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงเอาไว้ก่อนและก็พยายามฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นไปตามแนวทางนี้บ่อยๆเข้าอาศัยคาวิตาอบรมให้มากๆภหุรีกตากระทำให้มากๆ แม้ว่า ท, ทําทีหลังจิตอาจจะไม่สงบและไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นหลังที่เคยก็ตามให้เราเอาสัญญาอาดีตที่เราจดจำได้ว่าจิตของเราเคยเป็นอย่างนี้แล้วก็ระ ล, ะละึกพิจารณาตามแนวทางที่เราเคยรู้เห็นเป็นมาบ่อยๆเข้าจิตของเราก็จะเิดเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นลงไป เมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะเมื่อมีวิริยะก็มีสติมีสติแล้วก็มีความมั่นคงคือสมาธิเมื่อมีสมาธิความมั่นคงปัญญาความรอบรู้สามารถละกองจิตไว้ในอารมณ์ที่เราพิจนารณามันก็ย่อมมีความมั่นคงลงผลสุดท้ายจิตก็จะเกิดมีความสงบขึ้น ตามการตามเวลาเป็นครั้งเป็นกล่าวแม้ว่าจิตไม่สงบไม่รู้จริงเห็นจริงดังที่เคยมาก็ตามก็ให้พยายามดำเนินพิจารณาตามแนวนี้บ่อยๆเข้าแต่ละครั้งจิตจะค่อยสะสมกำลังเอาไว้ทีละน้อยๆจ น, นกว่าจะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะปฏิวัติ จิตไปสู่ปฏิวัติโซวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเองโดยอัตโนมัติการปฏิบัติในคันน้นี้เราไม่จำเป็นจะต้องไป น, นึกถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาอาจจะอาศัยการบริกรรมภาวนาแล้วก็เกิดนิมิตภาพขึ้นมากำหนดกิจรารณานิมิตภาพนั้น ดูไม่ขอาทาคำนวดรู้จิตน้อมจิตเข้ามารู้ภายในเริ่มต้นแต่รู้ลมหายใจําหนวดจดจ้องอยู่อย่างนั้นเมื่อมีความสงบเป็นสมาธิแล้วความรอบรู้อันเดียวกว่าวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นมาเองตามกําลังแห่งสมาธิที่เราอบรมแล้วดังนั้นนะักปฏิบัติทั้งหลายอย่ากลัวว่าจิตมันจะไปติดสมาะ หรือไปติดสมาธิติดความสงบขอให้มันมีสมถะมีสมาธิมีความสงบเป็นเครื่องติดของจิตแล้วจิตของเราจะได้สร้างพื้นฐานความมั่นคงเพื่อก้าวไปสู่ความรู้จริงเห็นจริงในขั้นวิปัสสนาต่อไปอีกเราแนะนำมาในวันนี้ เข้าใจว่าบรรจุภูมิปฏิบัติเอาไว้ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นปลายซึ่งการดำเนินจิตเพื่อไปสู่ความรู้จริงเห็นจริงจะต้องดำเนินตามนี้ขั้นบริกรรมภาวนาเรียกว่าอนุสษตษิบริกรรมภาวนาพุทโธเรียกพุทธานุสติ พันกำหนดตามรู้ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อตายยังปรากอดอยู่สัญญาเจตนายังมีอยู่จิตก็กำหนดตามรู้กายเพราะกายยังปรากอดถ้าหากว่าจิตกำหนดตามรู้ลมหายใจจิตก็ตามกำหนดรู้กาย เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำความเข้าใจไว้สั้นๆเพียงแค่นี้ก่อนเมื่อจิตตำรวดโลกกายสุขทุกข์ยอ่อมเกิดขึ้นที่กายสุขทุกข์อนั้นเรียกว่าเวทนาขณะที่เรามีความสุขในการนั่งสมาธิเรียกว่าสุขเวทนา เวทนาเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติเกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้สึกไม่สบายในการนั่งสมาธิมีความอืดขัดคำคานปวดแกล้งปวดา้าเหน็บปูด น, นี่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติเรียกว่าทุกขเวทนา ขณะใดที่จิตเป็นกลางๆไม่รู้สึกสุขสึกทุกข์ดันอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นแล้วจิตมันก็กำหนดรู้เวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสนาจติปัสสะความรู้สึกนึกคิดเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้ในขั้นซึ่งเรียกวจิตจิตจอบมีอาการนึกคิดในข้อสั่งสมซึ่งอารมณ์ไว้เป็นอาหารสำหรับตัวเอง จิตตัวผู้รู้จิตตัวผู้คิดเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งซึ่งมาลกคูลความสงบเช่นตามาฉันทะความใกล้ในความสบายถ้ยาจะบาดความหงุกหงิดลำคาญในการที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนา โอทัจจะโอกุจจะปามพุ่งสาตถินามิทาปามร่วงเหงาหาวนอดเกิดเหนื่อย่ายท่อแท้วิกิปิชาลังเลไม่ตกลงใจจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงนี่เป็นลักษณะของธรรมซึ่งเกิดขึ้นในหลักมหาตติป ฐ, ฐานสิ จึงเรียกว่านิวรณ์ทำภาพประการเป็นสิ่งที่กางกัน้นความดีความเจริญไม่ให้เกิดขึ้นจิตของูกภาวนาก็รู้ทัศเจกว่าธรรม า, น, ารนุปัสสนาสติปัฏฐานพอได้โปรดกำหนดตามหักแหงมหาสติปัฏฐานโดยย่อย่อดังที่เปล่ามาเมื่อท่านกำหนดรู้ว่าท่านมีกายเมื่อมีกายก็รู้ว่ามีเวทนา เมื่อรู้ว่ามีกายมีเวทนาเ็รารู้ว่ามีจิตผู้รู้เพราะจิตเป็นผู้รู้กายเวทนาเมื่อจิตรู้กายเวทนาสิ่งบรบกวนมันจะผ่านเามาจิตก็ย่มรู้คือนีิวรณ์ธานี่คือหลักการกาหนดรู้สติปัฏฐานสี่เจเนสติปัฏฐานสี่นี่เป็นฐานที่ตั้งเป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องละลึกของสติุกทุกข์เสืเ่อมเรีกก ว, ว่าเวทนาอาศัยกายเป็นแดงเกิเป็นสิ่งที่อาศัยกายคกิดจะยังเหลือแต่สุขละเอียดสุขละเอียดนั่นทันเรียก ว, ว่าอุเบกขาเวทนาเพราะมีความรู้สึก จะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่เมตตาการเป็นกลางๆอีกตอนนี้มันจิตมองตัวรู้อุเบกขาเวทนาเล้๋วก็จิตรู้จิตจิตก็รู้ทำเราว่าจิตคอยละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยเมื่อทันทั้งหลายตัง้งจิตตั้งใจปฏิบัติดำเนินตามแนวทางดังที่กล่าว ควาสมสงบและความรู้แจ้งเห็นจริงจะค่อยปลาบปลืข้ขึ้นทีละน้อยละน้อยซึ่งท่านเองอาจจะไม่กําหนดรู้ได้ว่าความรู้จริงหรือความดีของท่านมันเกิดขึ้นได้วันละขีดบาทน้อยแต่ขอรับรองว่าการปฏิบัติทุกครั้งคุ ณ, ณธรรมย่อมเกิดขึ้นในจิตของท่านทุกครั้งไป แต่คุณธรรมนั้นเป็นของละเอียดเราไม่สามารถที่จะประมวลมานับเพิ่มจะนวนได้เหมือนอย่างวัตถุแต่ก็จิตเก็บเอาคุณธรรมไว้สิน้อยน้อยจนกว่าจะรวมพลังกันใหญ่โตขึ้นมาแล้วจะสามารถที่จะลาบนญตนจนมาอย่างหยูแ่แหรือยอย่างมาหัดกระจัด าาาาการปฏิบัติธรรมก็เปรียบเหมือนการปลูกพืชเมื่อท่านปลูกพืชลงไปในดินหน้าที่ของท่านก็มีแต่รดน้ำดวนดินใส่ปุ๋ยท่านจะเป็นได้แค่ต้นไม้หรือพืชพันธุ์ของท่านงอกงามตึ้นดังที่ใจท่านนึกนั้นไม่ได้และท่านจะไปนั่งจ้องมองดูความขยายตัวของมันด้วยความเจริญเติบโตของมัน แม้จะนั่งดูอยู่จนกระทั่งว่าต้นไม้ต้นนั้นจเจริญเติบโตจนกระทั่งมันแก่ตายไปหรือจนกระทั่งวัดเรานี่จเจริญเติบโตแก่ตายไปเราจะไม่มองเห็นความเจริญของต้นไม้หรือพืชพันธุ์ที่เราปลูกปรากฏขึ้นกับตาหรือความรู้สึกของเราเลยแต่เมื่อเราทิ้งทิ้งเอาไว้ เกียงแต่รถตามควรดินใส่ปุย๋ยแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็เจริญงอกงามเองเอ้าเถลอสองสามวันไปดูมันจะผิดหูผิดตาขึ้นอันนี้คือข้อเสียเทียบเมืท่านปฏิบัติสมาธินี่ทำเป็นจิตวัตรประจำวันอยู่ทุกวันทุกวันความเจริญงอกงามของจิตของคุ ณ, ณธรรมย่อมจะปราบปรบเนเดิ เอาเราสำหรับการแนะนำข้อปฏิบัติซึ่งวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอขอขยติลงไว้ตเพียงเท่านี้